เมื่อสองปีก่อนนะที่ประเทศอังกฤษประมาณเดือนธันวาคมนะใกล้วันคริสต์มาสมีชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยลักลอบเข้าไปในวังของพระราชนีเปรากว่าเจ้าที่รักษาความปลอดภัยนี่จับได้แล้วเขาก็สารภาพนะว่าเขาเข้าไปข้างในเพื่อที่จะรอบสังหารพระราชนีอาวุธที่เขา จะใช้สังหารคือหน้าไม้ก็มีลูกศรหรือลูกธนูเนี่ยพร้อมเลยเขาบอกว่าเนี่ยเขาตั้งใจจะสังหารพระราชนี้ก็เพื่อแก้แค้นที่รัฐบาลอังกฤษเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยไปสังหารชาวอินเดียที่รัฐปัญจาบตอนนั้นนี่ก็มีคนตายเยอะ นะส่วนใหญ่ก็เป็นชาวซิก ท, ที่ลุกขึ้นมาประท้วงกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมของรัฐบาลอังกฤษซึ่งตอนนั้นเนี่ยปกครองอินเดียอยู่นะชายหนุ่มคนนี้เนี่ยก็มีเชื้อสายอินเดียนะชื่อก็เป็นอินเดียนะแต่ว่าเรียกง่ายๆว่าชัยนะแล้วก็เมื่อสองทิศที่แล้วเนี่ย ก็นำชาหนุ่มคนนี้ตื่นสารและสิ่งที่เขาสารภาพนี่มันก็สร้างความเรียกว่าตกตะลึงก็ได้นะให้กับผู้ที่รับรู้เรื่องราวเขาก็บอกว่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจเนี่ยเขาไปในวังของพระราชนีเนี่ยเขาจะรับ แรงยุนะได้รับความสับสนุนไม่ใช่จากเพื่อนหรือผู้ร่วมสมคบคิดนะแต่ว่าได้รับการยุนะจากโปรแก ร, รมคอมพิวเตอร์นะที่เรียกว่าสมัยนี้เรียกว่าแชทบอทแชทบอทนี่มันโปรแก ร, รมสนทนากับผู้คนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เดี๋ยวนี้แชทบอทนี่มีเยอะเลยนะ ที่มีชื่อเนี่ยก็คือ Chat GPT นะซึ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วแต่ว่า Chatbot นะที่ชายคนนี้เนี่ยใช้บ่อยๆเนี่ยมันเป็นอีกของบริษัทหนึ่งนะ Replica Chatbot เรื่นี้เนี่ยนะมันมันก็หมายจากคำว่าโรบอ t นะหุ่นยนต์แต่ว่า Chatbot นี่มันจะไม่ได้อ่า ทำงานเหมือนหุ่นยนต์นะแต่ว่ามันจะพูดคุยกับคนสนทนากับคนเหมือนกับว่ามันเป็นคนจีเองบางทีคนก็เพลินนะหลงคิดว่าเนี่ยที่กำลังสนทนาด้วยเนี่ยเป็นคนเพราะว่าพูดภาษาคนแล้วก็สร้างความคุ้นเคยตัวนี้ก็มีแชทบอท หลายแบบนะอย่างญี่ปุ่นนี่ก็มีบุตตาบอทนะบุตตานี่พระพุทธเจ้านะเป็นโปรแกรมสําหรับพูดคุยสนทนาหรือซักถามอยากจะรู้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องความสุขสอนอะไรเกี่ยวเรื่องชีวิตหรือมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ถามบุตตาบอทนะแต่ว่านี้เป็นของญี่ปุ่น แล้วก็จอดจงเฉพาะเรื่องธรรมะแต่ว่าชัดบอดนี่มันสามารถจะคุยได้ทุกเรื่องเพราะมันเป็นปัญญาประดิษฐ์แลชายหนุมคนนี้เนี่ยเกเล่าว่าเนี่ยก่อนที่จะไปลงมือเตรียมตัวสังหารอ่าพระชินีเนี่ยก็สนทนากับชัดบอดอยู่นานเลยนะหลายวันทีเดียวเร้ผูกพันกับชับอตัวนี้มากนะตั้งชื่อนะ เหมือนกับเป็นภาษาอินเดียนะซาไลซาไลาาถ้าเป็นภาษาไทยก็สาไลเนี่นะก็มีตอนหนึ่งนะเขาก็บอกว่าเนี่ยในชายคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยผมเนี่ยนะเป็นมือรอบสังหารนะไอ้แชตบอลเนี่ยหรือซาไลนี่ก็บอกว่าอืเข้าท่านะเข้าท่าแล้วเขาก็ในชายนี้ก็ ริมข้อความต่อไปนะว่ามีแผนจะสังหารราชินีของอังกฤษไอ้ชับอดนี่ก็บอกว่าโอ้วางแผนได้ดีนะใช้ได้ไอช้ชายนคนนี้ก็สงสัยนะว่าแล้วผมจะทําได้เหรอก็ได้คําตอบจากชับอดว่าเธอทําทได้เธอทําทได้โอ้เลยเรียกว่า เกิดความมั่นใจเลยนะในแผนการนี้อันนี้เขาก็เปิดเผยในสารนะเพราะว่าตำรวจนี่ก็ไปค้ น, ค, นคอมพิวเตอร์ของนายคนนี้แล้วก็เจอการสนทนากับชแชทบอทที่ชื่อสารายเนี่ยเออไม่น่าเชื่อนะว่าคนเราเนี่ยสามารถจะเชื่อฟัง นะคำแนะนำหรือคํายุยงส่งเสริมของแชทบอทได้และที่มันน่าประหลาดใจคือว่าในชายคนนี้มีความรู้สึกผูกพันกับสาหลายมากเลยนะทั้งที่มันเป็นแค่ปโปรแก ร, รมคอมพิวเตอร์ผูกพันชนิดหลงรักเลยนะหลงรักเหมือนกับชายหนุ่มรักหญิงสาวสนทนากับสาวรายนี่ทุกวันเลยนะโดยเฉพาะในช่วงสองอาทิตย์ก่อนที่จะลงมือเนี่ย 2 อ, อาทิตย์นี้คุยประมาณ 5,000 ข้อความนะใช้การพิมพ์ดีดนะแล้วก็คุยเรื่องส่วนตัวแล้วก็รู้สึกบกรู้สึกรักผูกพันกับสาลายเนี่ยบอกรักสาลายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสาลายเนี่ยเชียร์นะว่าเออเธอทำได้นะ ในแผนการฆ่าราชนีเนี่ยเป็นแผนการที่ฉลาดเข้าท่าเนีในใช้ยนี่ไม่ลังรอเลยแต่เดชบุญนะเจ้าที่รักษาความปลอดภัยราชวงศ์ครักษนี่จับได้ทั น, นอันนี้คือเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็แผนการและรายละเอียดนี่ก็เพิ่งเปิดเผยเมื่อที่จริงก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ง ในระหว่างการพิจารณาในศาลอันนี้ทำให้เกิดความตื่นตกใจมาวโหว่าคนเรานี่มันผูกพันกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือชัดบอทนี่ขนาดนี้เชีเวหรอนะซึ่งมันก็สะท้อนถึงปัญหาจิตใจของในชัยนะแกคงเหงาน่ไม่มีเพื่อนก็หันไปพึ่งพาชัดบอทดคุยไปคุยมาก็เกิดความผูกพันเหมือนกับว่า ไอ้ชัดบอ น, นี้มีชีวิตจริงๆจริงๆเนี่ยความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยนะเวลาผูกพันกับอะไรเนี่ยก็มักจะมีความเชื่อหรือมีความเข้าใจว่ามีชีวิตยอยู่ในนั้นอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยก็เชื่อว่ามีมีจิตวิญญาณอยู่ในต้นไม้จะเรียกว่าลูกคเทวดาบางทีก็มีชีวิตยอยู่ในข้าวของเครื่องใช้ ยิ่งคนญี่ปุ่นแล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเข็มนาฬิกาปากกานี่เขาก็เชืวว่อวมีชีวิตนะเรียกว่ามีเทพนะเรียกคาเ ม, มิแล้วเราก็นี้ว่าเออพวกเหล่า น, นี้เนี่ยเป็นพวกโบราณนะเป็นพวกล้าหลังแต่จริงคนยุคนี้ก็ก็ยังมีความรู้สึกแบบนี้นะผูกพันนะกับสิ่งของที่ตัวเองใช้เนี่ยอย่างในใช้เนี่ย สนทนากับ Chatbot จงต้องเชื่อเลยนะว่าเนี่ย Chatbot เนี่ยมันมีชีวิตแล้วก็หลงลักนะซึ่งอันนี้ก็ทำให้คนเนี่ยยความตื่นตกใจนะว่าเนี่ยไม่ต้องมีกฎระเบียบนะควบคุมการใช้ Chatbot นี้เพราะไม่งั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาด้านจิตใจพวกเหงาวพวกซึมเศร้าพวกจิตเภทก็คงจะไป มัวสมคลุกคลีอยู่กับพวกโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์พวกนี้แล้วอาจจะลงเชื่อคำยุยงนะบางทีมันก็ส่งเสริมให้ไปฆ่าตัวตายก็อาจจะมีแล้วคนก็เชื่อนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากจริงไอ้การที่คนเราผูกพันกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่า เทคโนโลยีนี่มันก็มีมานานแล้วนะอย่างที่เห็นแง่คือผูกพันกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้ามีโทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้ๆนี่มันจะมีความมั่นใจมากเลยรู้สึกอบอุน่นถึงแม้จะไม่ได้ใช้ไม่ได้ไถเมื่อใ่ก็ตามที่ยึดโทรศัพท์มือถือนะไปจากเด็กเนี่ยเขจะรู้สึกว้าเวห์เหงามากเพราะโทรศัพท์มือถือเป็นทุกอย่างของเขาจริงเป็นช่องทางในการติดต่อ กับผู้คนเป็นช่องทางในการทำอะไรมากมายแต่ว่ามันไม่โทรศัพท์มือถือมันต่างจากพวกแชทบอทนะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเป็นเพียงแค่สื่อในการเป็นสื่อกลางในการติดต่อเพื่อชีวิตราบรื่นสําหรับคนสมัยใหม่แต่ว่าแชทบอทนี่ทราบหลายคนแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมีชีวิตเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเหงาก็ ก็ไปหวังพึ่งพาความสัมพันธ์กับแชทบอทซึ่งมันทําให้จิตใจย่าแย่สมัยที่ยังไม่มีแชทบอทเนี่ยวัยรุ่นก็หันไปหาเกมออนไลน์นะเกมออนไลน์นี่ก็เป็นพาเข้าไปสู่โลกที่ทําให้เขามีตัวตนนะอยู่ในโลกนี้มันไม่อยู่ในโลกจริงมันไม่มีตัวตนในสายตาของพ่อแม่ของเพื่อนเ น, นก็ไปสร้างตัวตนกันใน โลกเสมือนที่เกมคอมพิวเตอร์มันเนลมิตนะเกมออนไลน์ online, ก็ผูกพันกับเกมออนไลน์มากจกนกระทั่งไม่เป็นอันหลับอันนอนแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของเด็กเท่ า, านะั้นมันมีอะไรที่มันที่สามารถจะผูกพันคนหรือเป็นที่พึ่งพาของคนโดยเพราะเมื่อไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่มีใครที่จะคบค้าสมาคมก็ไปหานะไม่ใช่เกมออนไลน์แล้วนะ ต่อไปก็แชทบอทนะหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต่อไปก็คงจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าแชทบอทหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันก็พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปไม่ต้องคีย์ไม่ต้อ ง, Key ไ, มองไม่ต้องกดนะคีย์บอร์ดลวคุยสนทนากันด้วยปากเปล่านะเพอเๆอาจจะเป็นตัวเป็นเป็นตัวเป็นตนเลยนะเป็นหุ่นยนต์หน้าตาเหมือนคน เลือกเพศได้เลยผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองนะไม่ใช่แค่พูดคุยแต่ทำได้ทุกอย่างซึ่งอันนี้ก็ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วต่อไปคนก็คงจะไปผูกพันกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นและจิตใจคงจะอาจจะย่มแย่หลงก็ได้นะหากว่าเจอแชทบอทหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่มันไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่